ปีใหม่ก็เพิ่งจะผ่านมาได้อาทิตย์หนึ่งพอดีอาตมามีโอกาสได้ไปรับปีใหม่ที่พูหลงไม่ได้ไปมาหลายปีแล้วการไปผูหลงครั้งนี้ก็ได้ความรู้ได้ประโยชน์หลายอย่างที่พูหลงก็มีงานศพของครูซึ่งเกิอดอุบัติเหตุเสียชีวิตอายุประมาณห้าสิบหปีแล้วครูคนนี้ก็มีญาติพี่น้องมากมายเป็นคนมีฐานะเสียชีวิต ด้วยความประมาทคือไปดื่มสุราแล้วเบาหวานขึ้นจนหมดสติรถไปชนต้นไม้ทำให้เสียชีวิตทันทีจากพี่น้องจากการที่จะได้สุกสนานของการต้อนรับปีใหม่ก็กลายเป็นจัดงานศพแทนแล้วก็มีหลายคนที่ต้องตายและเสียชีวิตก่อนวงควรเพราะเกิดอุบัติเหตุด้วยความประมาท ชีวิตของคนถ้าดูไว้ดีแล้วไม่เที่ยงเลยไม่มีหลักประกันไม่มีใครสามารถว่าจะกำหนดอายุได้ว่าจะอยู่ถึงเท่าไหร่บางคนตายตั้งแต่อายุยังน้อยบางคนตายตั้งแต่อย่างวัยรุ่นหนุ่มสาวบางคนก็มาตายตอนแก่พะคนป่วยหนักหลายสิบปีก็ยังไม่ยอมตายคนระฟับทุกทรมานอยู่บนเตียงนอนก็มี เพราะฉะนั้นชีวิตคนเราจรึงประมาทไม่ได้เลยสีทําได้คือไม่ประมาทมันสร้างบุญสร้างบุญสนใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ได้คนเราที่ทุกข์ส่วนใหญ่ก็เพราะนึกถึงอดีตคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วบางครั้งใครมาว่าเราเราก็จดจําไี่เคยลืมแต่เวลาคนไปชมเราหรือช่วยเหลือเราเราไม่ค่อยได้จํา พอธรรมชาติของจิตของคนเราเนี่ยจะคิดทางลบจึงทําให้เกิดทุกข์มีฐานเซนอยู่เรื่องหนึง่งเรื่องนี้เกิดที่ประเทศจีนมีลูกศิษย์อยู่คนหนึง่งมามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดมีความสุดสงสัยว่าอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงของคนเราจึงพยายามถามอาจารย์เซนทุกวันอาจารย์เซนก็ไม่ยอมตอบแล้วอยู่ไปวันหนึ่งอาจารย์เซนก็เดินออกจากห้กอง พร้อมกับนำหินก้อนนึงหินก้อนนี้ก็เป็นหินที่มีความสวยงามพอสมควรคือดูดีไม่เหมือนหินทั่วไปแล้วก็บอกลูกศิษย์ว่าให้นาหินก้อนนี้ไปเล่ขายอย่างท้องตลาดแต่ไม่จงเป็นต้องขายไปจริงๆเพียงแค่ทำให้ผู้คนมาเสนอราคาซื้อก็พอแล้วจะลองดูว่าราคาหินก้อนนี้ได้เท่าไหร่ลูกศิษย์จึงนาก้อนหินไปเล ข, ขายอย่างท้องตลาด มีคนเห็นว่าหินก้อนนี้ทั้งใหญ่และเรียบสวยงามจึงตั้งราคาให้สองตำลึงอีกคนนึงเห็นว่าหินก้อนนี้น่าจะนำไปทำเป็นลูกกิ้งหรือลูกตุ้ม่วงน้ำหนักได้เป็นอย่างดีจึงเพิ่มราคาให้ถึงสิบตำลึงหลังจากนั้นก็มีคนมากมายสนใจแล้วก็ให้ราคาหินก้อนนี้แต่ให้ให้เต็มที่เท่าไหร่ก็ไม่เกินสิตำลึงสุดแล้วราคาสูงสุดที่ท้องตลาดก็คือ10ตำลึงคันึ่งตอนเย็นสิทธ์ก็นำก้อนหินกลับวัด แล้วบอกเล่าเรื่องารองาวให้อาจารย์ฟังแต่ก็ปลื้มใจที่หินก้อนนี้มีราคาถึง10บตำลึงฝ่ายอาจารย์เมื่อฟังจบก็บอกว่าพรุ่งนี้จะจูนําหินก้อนเนี้ไปเลข่ขายอีกครั้งยังตลาดค้าทองพอวันรุ่งขึ้นลูกศิษย์ก็นําก้อนหินไปเลขขายยังตลาดค้าทองครั้งนี้แค่เริ่มต้นก็มีผู้เสนอราคาก้อนหินถึง 1,000 งพัตำลึงจากนั้นราคาก็ขึ้นเป็น1นึ่งื่นตำลึง และสุดท้ายก็จบลงที่ราคาสิหมื่นตำลึงเมื่อสิทธิ์เซนเห็นผลลัพธ์เกินความคาดหมายถึงเพียงนี้จึงรีบกลับไปรายงานอาจารย์เซนแต่อาจารย์เซนกล่าวว่าพรุ่งนี้เจ้าจุงนำหินก้อนนี้ไปเลขกขายที่ตลาดค้าเพชรพลอยซึ่งเป็นตลาดระดับสูงดูบ้างลุกศิธิ์ก็ทำตามวันลุกขึ้นก็นำก้อนหินไปเล ข, ขายตามคำสั่งของอาจารย์ พบว่าราคาก้อนหินขึ้นวพวดพาดไปเรื่อยๆจากสิบหมื่นตำลึงยี่สิบหมื่นตำลึงสามสิบหมื่นตำลึงจนกระทั่งบีคนเข้าใจว่าที่ไปยอมขายเพราะจะไม่ได้ราคาที่เหมาะสมจึงมีคนเสนอให้ตั้งราคาขึ้นมาเองตามใจชอบอย่างไม่อั้นว่าจะขายเท่าไหร่สิเซนได้ที่บายตอบคนที่มาซื้อก้อนหินว่าตนเองทําตามคําสั่งของอาจารย์มิให้ขายก้อนหินออกไปจริงๆจากนั้น ก็นำก้อนหินกับวัดพอบอกอาจารย์ว่าตอนนี้ราคาก้อนหินพุ่งขึ้นถึงหลักหลายสิบหมื่นตํารึงแล้วเมื่ออาจารย์เซนฟังจบจึงบอกว่ามันก็ใช่แล้วที่ข้าไม่อาจสั่งสอนเจ้าได้ว่าชีวิตมีคุณค่าเพียงใดเขาคนนั้นจะเป็นการตีราคาชีวิตของเจ้าโดยผ่านมุมมองภายนอกไม่ต่างจากการตีราคาก้อนหินทั้งทั้ง ท, งที่ความจริงคุณค่าของมนุษย์ทุกคนล้วนต้องกระจ่างอยู่ในจิตใจของคนผู้นั้นเอง จงมีสายตาแหลมผมดังนักขาเพชรพลอยเสียกอนเจ้าจึงจะสามารถเห็นซึ้งถึงคุณค่าแท้จริงของคนเราเรื่องนี้ก็ให้ง่ายคิดว่าคนเราเนี่ยมีคุณค่าอยู่ในตัวและสามารถพัฒนาได้ทุกคนสามารถกลายเป็นสิ่งที่มีค่าอันประเมินมิได้คุณค่างคนนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาวันหนึ่งคุณแม่ผิวขาวพาลูกชายอายุหกขวบออกจากบ้าน เธอเรียกรถแท็กซี่มาคันหนึ่งคนขับเป็นชายผิวดำหนูน้อยคนนี้ไม่เคยพบกับคนดำมาก่อนเมื่อได้พบเจอคนผิวดำจึงรู้สึกกลัวและถามแม่ออกไปว่าแม่ชายคนนี้เป็นคนชั่วร้ายใช่ไหมครับทําไมตัวถึงได้ดำขนาดนี้ฝ่ายชายผิวดำเมื่อได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเสียใจไปอย่างยิ่งและแม่เด็กก็บอกลูกชายว่า คุณลุงไม่ใช่คนชั่วร้ายหรอกคุณลุงเป็นคนดีถูกน้อยเงี้ยไปสักคู่หนึ่งแล้วถามแม่อีกว่าถ้าไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายเขาต้องทําอะไรที่เลวร้ายแน่ๆมิงะนั้นพระเจ้าคงไม่ลงโทษเขาอย่างนี้หรอกฝ่ายชายผิวดำได้ยินดังนี้น้ําตาก็คอเป้าแต่เขาก็อยากรู้ว่าแม่ของเด็กจะตอบลูกของนางว่าอย่างไรคุณแม่ ตอบลูกชายไปว่าคุณลุงเป็นคนดีและไม่ได้ทําอะไรเลวร้ายเลยดอกไม้ที่อยู่ในสวนหลังบ้านของเรามีทั้งสีแดงสีขาวสีเหลืองใช่ไหมจ๊ะหนูน้อยตอบใช่ครับใช่ครับแม่บอกต่อแล้วมเมล็ดพันธุ์ของดอกไม้ตาก็เป็นสีดําใช่ไหมจ๊ะหนูน้อยคิดสักคู่หนึ่งก็ตอบบอกไว้ว่า ใช่ครับมันเป็นสีดําคุณแม่ผูดต่อยอว่า <_ an> เมื่อมเมล็ดพันธ์สีดําออกดอกสีสนันรดงามทําให้โลกนี้มีสีสันตลากหลายใช่ไหมจ๊ะหนูน้อยตอบใช่ครับและเริ่มรู้สึกเข้าใจทันทีถ้าอย่างนั้นคุณลุงคนขับรถก็ไม่ใช่คนเลวร้ายนะสิครับขอบคุณคุณลุงมากเพราะคุณลุงทําให้โลก มีสีสันผมจะนิฐานให้คุณลุงครับหนูน้อยผู้ร้ายจงษาก็เริ่มทำการนิฐานให้คุณลุงผิวดาทันทีคนขับแท็กซี่น้ำตาไหลออกมามากกว่าเดิมคิดในใจคนดำถูก ด, ดูถูกจากคนทั่วโลกแต่มาวันนี้คำพูดของคุณแม่ผิวขาวที่สอนลูกของเธอทำให้ลูกของเธอไม่กลัวฉันอีกต่อไปแล้ว ทั้งยังอธิษฐานเพื่อฉันอีกฉันต้องขอบคุณเธอจริงเมื่อถึงที่หมายชายผิวดำก็ไม่ยอมรับค่ารถแถมบอกกับเธอว่าเมื่อตอนเป็นเด็กผมก็เคยถามคำถามนี้กับแม่แต่แม่บอกผมว่าพวกเราคือคนดำถูกสาปให้มาเป็นมนุษย์ชั้นต่ำหากแม่ตอบผมเหมือนที่คุณตอบลูกของคุณ ชีวิตของผมคงไม่เป็นเหมือนวันนี้แน่คุณค้างคนไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาแต่อยู่ที่จิตใจบางคนหน้าตาสวยงามกายมันนักต้มตุ๋นหลอกลวงก็มีบางคนหน้าตาโหดร้ายแต่เป็นคนใจดีก็มีจึงต้องดูที่จิตใจดูที่หน้าตาไม่ได้คนเรานี่ก็มีความทุกข์อีกหลายอย่าง ความทุกข์จากการถูกดินทาถูกอิจฉาในโลกนี้ทุกคนต้องมาสบไม่มีใครไม่ถูกดินทาแม้แต่ผู้ดูจ้าอย่างโดนดินทาเพราะฉะนั้นเราเป็นคนธรรมดาการโดนดินทาจึงเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นคนที่ไม่โดนดินทาจึงไม่มีในโลกอันดินทากาเล่เหมือนเท น, านา้ำไม่ชอกช้ำ เหม่รลอยมีดที่กีดหินแม้องค์ปฏิมาอย่างลาคินคนเดินดินหรือยะสิน้นคำนินทาสุนทรผู้ก็แต่งกอ น, นี้เพราะเห็นว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกมีตากับหลานชายมีธุราต้องเดินทางไกลไปหาญาติที่อยู่ต่างเมืองโดยนำลาปะหะนะไว้เดินทางทั้งสองตาหลานจะต้องผ่านเมืองต่างๆแต่ระหว่างทาง ด้วยความกระตัยูของหลานชายเห็นว่าตาแก่แล้วจึงขอให้ตานั่งบนหลังลาเพราะความเป็นห่วงเป็นใยตาก็นั่งหลังลาและหลานก็จูงไปเรื่อยๆเมื่อเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านตากระซุปซิลินทาว่าเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าเอาเปรียบเด็กตัวเองสบายให้เด็กจูง ลาเฉยเลยเมื่อตาได้ยินเช่นนั้นจึงไม่สบายใจและไม่อยากให้คนดินทาจึงบอกให้หลานชายขึ้นมานั่งขี่ลาแทนและตาเป็นคนจูงเองจนกระทั่งเดินทางถึงหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านก็ดินทาอีกว่าหลานชายดูดูทำไมถึงไม่เห็นใจคนแก่บ้าง เอาเปียบคนแก่เป็นเด็กไม่ดีเมื่อหลานได้ยินเช่นนั้นจึงบอกให้ตาขึ้นมานั่งลาด้วยอีกคนพร้อมพูดว่าดูซิจะมีคนดินทาพูดเราอีกไหมต่อมาเมื่อมาถึงอีกบ่บ้านหนึ่งก็ไปผลการดินทาของเ้าบ้านอยู่ดีโถโถโถโถเจ้าลาช้าดองสารทำไมนายของแกถึงใจร้ายใจดำ ใช้งานหนักเกินไปจริงๆทั้งตาทั้งหลานได้ยินดังนั้นตัดสินใจลงจากหลังลาและช่วยจูงลาเดินเบะเลื่อยแล้วก็มาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งคราวนี้ชาวบ้านนอกจากไม่ได้รินท า, างเดียวยังหัวเราะขำด้วยว่าดูดูตาหลานกู่นี้ทําไมโง่โง่เสียจริงมีลาแับไม่ขี่แต่กับจูงเฉยเลย เพราะฉะนั้นคนที่ไม่โดนดินทาจึงไม่มีได้โลกแต่เราเก็บมาคิดเก็บมาใส่ใจชีวิตเราก็มีความสุขเพราะเราทําดีแค่ไหนก็โดนดินทาอยู่ดีต่อให้เราทําความดีขนาดไหนจะให้ถูกใจคนทุกคนเป็นไปไม่ได้เลยบางคนก็อาจจะชอ บ, บคนก็อาจจะไม่ชอบในโลกก็ทํา8ประการปีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสารเสริญมีดินทาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญ ถ้าเราวางใจไม่เป็นเราก็ต้องทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจโลกรธรรมและ ว, วางใจเป็นเราก็สามารถอยู่กับโลกรธรรมได้โดยที่ใจไม่ทุกข์เรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็กลายเป็นไม่มีเรื่องเพราะฉะนั้นเร า, เราจึงต้องมาฝึกกันมาเรียนรู้เรื่องโลกรธรรมรู้จักชีวิตตัวเองแล้วเราก็จะเข้าใจคนอื่นแต่ถ้าเราไม่เข้าใจคนตัวเองนะเราก็ไม่เข้าใจคนอื่นจะเข้าใจได้ก็ต้องมาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมอย่างละมามาภูหลงก็ได้ฟังธรรมจาก พระจารเป็นสารก็ได้แง่คิดใหม่ๆหลายเรื่องโดยทั่วไปคนเราเนี่ยจะชอบการให้พรที่เป็นมงคลขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้เจอคนรักที่ดีมีโชคดีตลอดอย่าโชคร้ายแต่พรอของพระจารเป็นสารที่ให้ตอนรับปีใหม่ท่านให้ไม่เหมือนคนอื่นท่านบอกว่าจงไหลอนาคตจงหมดเนื้อหมดตัว จงไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดพอสข้อนี้คนไม่เคยได้ยินมาก่อนเน่ยเขาจะตกใจบอกว่าเป็นอัปมงคลแต่ถ้าคนที่เข้าใจศัจธรรมของชีวิตฟังดูแล้วก็จะเป็นมงคลอย่างยิ่งการล้าอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยพอมีอนาคตก็จะต้องทําสิ่งนั้นตลอดชีวิตไม่มีอิสระาบางคนทําอาชีพอะไรก็ต้องทําจนแก่บางคนก็ทําจนตายไปเล ย, เลยก็มีบางคนไม่สามารถออกจากงานที่เองทาได้ยิ่งฐานะดีขึ้นเท่าไหร่งานก็ยิ่งมากขึ้นฝารับผิดชอบก็มากขึ้น โอกาสจะได้ศึกษาตัวเองก็เริ่มห่างออกไปห่างออกไปคือไม่ว่างให้หมดเนื้อหมดตัวก็คือธรรมดาคนเราเนี่ยจะมีความยึดถือตัวตนหรือตัวกูของกูหรือยึดถือหรือเห็นกับตัวแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ยึดถือตัวกูของกูหรือไม่เห็นกับตัวเนี่ยความทุกข์ต่างๆก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆคือใครยึดถือตัวกูของกูมากคนนั้นก็จะทุกมากถ้าใครยึดถือตัวกูของกูน้อยคนนั้นก็จะทุกน้อย อันนี้เป็นเรื่องเสรีธรรมความเป็นจริงคือใครยึดมากก็ทุกมากยึดน้อยก็ทุกน้อยและไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเนี่ยเป็นสุดยอดธรรมะเพราะธรรมดาคนเราทุกข์เพราะความเกิดเกิดพบเกิดชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารชีวิตของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดมาก็ต้องใช้กรรมมีความทุกข์มากกว่าความสุขเดี๋ยวต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาพสูญเสียของรัก ในความทุกจากดินฟ้ากาจากคนบิดเบียนอีกหรือภัยธรรมชาติต่างๆการไม่เกิดก็คือการไปนิพพานซึ่งเป็นความสงบเย็นไม่ต้องมาทุกข์อีกจึงเป็นพรที่ดีที่วัดเซนแห่งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่ง น, นิบนอาจารย์เซนมาที่บ้านและขอให้เขียนขาบวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลส่งให้คนในวงตระกูลล่ํารวยเงินทองเจริญรุ่งเรืองจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีวันอับจน อาจารย์เซนก็ระปากและกางแผ่นกระดาษออกจดผู้การเขียนลงไป3คํคำว่าบีดาตายบุตรตายหลานตายเสรษฐีอ่านก็ความทั้งหมดแล้วเกิดความไม่พอใจยอย่างมากกล่าวตำหนิอาจารย์เซนว่าข้าให้ท่านมาเขียนคำวิพยพนเพื่อเป็นมงคลกับครอบครัวข้าของข้าเหตุใดท่านจึงต้องล้อเล่นรุนแรงเช่นนี้ด้วยอาจารย์เซนตอบเปล่าข้าไม่ได้ล้อเล่นอธิบายว่าความตายเป็นสิ่งที่ทุกคน ต้องพบเจอสมมุติว่ารู้ของท่านสิ้นชีวิตก่อนหน้าท่านท่านย่อมต้องทุกทรมานยิ่งนักและถ้าหากหลานชายของท่านเสียชีวิตก่อนบิดาของเขาทั้งท่านและบุตรชายของท่านย่อมต้องยิ่งทุกขทรมานมากขึ้นอีกเท่าทวีคูณแต่หากครอบครัวของท่านล้วนสิ้นอายุขัยไปตามธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่นตามลำดับที่ข้าเขียนเอาไว้ในความคิดของข้า จึงค่อยถือเป็นความสุขความเจริญเป็นมงคลต่อครอบครัวเศรษฐีจึงเข้าใจในคําอธิบายของอาจารย์เซนและเห็นด้วยถ้าลูกหลานตายก่อนพ่อแม่ตนเองคงทุกข์หน้าดูเพราะฉะนั้นการตายจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยจึงเป็นมงคลความตายไม่น่ากลัวความตายเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นสัจธรรมของชีวิตแม้สะสมทรัพย์สมบัติมากมายแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถนําติดตัวไปได้เพราสมบัติทั้งหมดเป็นของโลก แม้แต่ร่างกายของเราเองก็เป็นของโลกก็ต้องทิ้งอยู่ที่โลกคนเราจรึงชอบพอรที่หลอกลวงไม่ชอบพอรที่เป็นความจริงบางครั้งถ้าเราพูดเรื่องตายเนี่ยคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยชอบเพราะถือเป็นคําพูดที่ไม่เป็นมงคลแต่ถ้าพูดเรื่องอายุยืนเนี่ยชอบเพราะร่างกายคนเราเนี่ยเจ็สิบกว่าแปดสิบร่างกายก็เริ่มสุดโทมเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะมีหูตาก็ฟ้าผ่าเดินเหินก็ไม่ค่อยไหวคนแก่คนแก่คนเฒ่าจึงลำบากบางคนอยากตายด้วยซ้ำ ผ, ผ่านเรื่องการให้พรก็มาถึงเรื่องสิ่งใดพ้องสิ่งนั้นดังเราบะตองดูก็เห็นด้วยกับคำพูดของท่านถ้าถังเปล่าพอเราเปิดน้ำก็จะเสียงดังแต่ถ้าเต็มเนี่ยเสียงก็เริ่มเงียบแล้วดังค่อยค่อยอันนี้ถ้าจะเปียกก็เปรียบกับคนที่ไม่ค่อยมีความรู้หรือไม่เก่งมักจะคุยโต้วอวด เกิดความสามารถแต่คนที่เก่งจริงจะไม่ค่อยคุยจะรู้จักใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองให้เป็นประโยชน์ตามสถานการณ์เพราะความรู้ความสามารถเนี่ยถ้าเราไปใช้พั่มเพื่อก็เป็นโทษได้ไม่เกิดประโยชน์อย่างอาจารย์บางคนในบ้านธรรมะเห็นใครมาเขาจะสอนหมดบางครั้งยากโยมก็ไม่ได้ถามไม่มีความรู้สึกอยากจะเรียนแต่พยายามจะเยียดความรู้ให้ ความรู้เหล่านี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะให้ผิดคนแต่ถ้าญาติโยมมาถามธรรมะอยากมาคุยด้วยอันเนี้เราคุยคุยได้บางครั้งถ้าเร า, ายัดเยียดควารู้คนอื่นก็สร้างความอึมาอลาสร้างความเบื่อหน่ายกลายเป็นธรรมะที่ไม่มีคุณค่าขึ้นมาทันทีอันนี้เห็นมาหลายคนแล้วบางคนก็ร้อยวิชาแต่คนที่คนที่พูดแบบนานส่วนมากเกินมักจะมีความรู้ที่ไม่จริง รู้คือรู้แบบผู้วัปาอาจจะได้สมาธิเล็กๆน้อยๆหรือเข้าใจปริยัติแบบผิวเผินแต่อยากให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจบ้างคือหวังดีมีเจตนาดีแต่ขาดสติในการควบคุมตัวเองจึงอยากสอนคนอื่นหรือพระบางบางท่านเพิ่งบวชได้ไม่นานก็ตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์ก็มีเพราะความอยากสอนคนควบคุมกิเลสตัวเองไม่ได้พอทําไปแล้วก็เกิดความทุกข อย่ามาคนอยากสอนพ่อสอนแม่สอนพี่สอนคนรู้จักให้เห็นทำแต่ตัวเองก็งไม่เห็นไปบอกเขาก็ไม่เชื่อเพื่อเขาเถียงย้อนกลับมาด้วยทําให้ผู้สอนเนี่ยทุกข์ใจอันนี้เราจะเห็นได้บ่อยคนที่เก่งมักจะวางตัวอีกแบบหนึ่งคนไม่เก่งมักจะวางตัวอีกแบบหนึ่งและอาจารย์ยังพูดถึงเรื่องเป็นโนบอดี้ดีกว่าโนบอดี้ทีถ้า ยักยอกฟังแล้วจะงง nobody, nobody คืออะไร nobody ก็คือความไม่ยึดถือตัวตนเป็นอนัตตาไม่ให้คุณค่ากับตัวตนซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนอยากเป็น s ั m บ b o d y คืออยากมีตัวมีตน ม, มีคนยอมรับมีคนรับถือแล้วก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ซึ่งคนบางคนต้องดิ้นรนให้มีชื่อเสียงเงินทองหรือมีอำนาจคันได้มาแล้วก็ต้องคอยปกปักรักษา การเป็นโนบะดี้ถ้าเป็นความหมายของหลวงพ่อหอมเขียดก็คือการไม่เป็นอะไรกับอะไรการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยก็ไม่ทุกเพราะฉะนั้นการเป็นโนบะดี้จึงดีกว่าดีกว่าเป็นซับบะดี้และที่ผููหลงเขามีการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมีการเดินพิจารณาซึ่งก็ไกลพอสมควรระยะทางไปกลับประมาณแปดกิโลเมตรถ้าคนไม่เคยเดิน ก, ก็จะรู้สึกว่าลำบากอยู่แต่ถ้าคนเดินทุกวันทุกวัน ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงขึ้นญาติโยมก็มาคอยใส่บาตรบางครั้งก็มีหมาวิ่งมาขออาหารก็ เ, เป็นบรรยากาศที่แตกต่างจากวัดป่าสุกโตมากผู้หลงจะมีญาติโยมน้อยกว่าวัดป่าสุกโตที่ผู้หลงยังมีสัตว์เลี้ยงที่สร้างสีสันคือสุนัขและแมวสุนัขมีสามตัวคือเจ้าหูตั้งเจ้าลุกดิ๊กและสมาชิกน้องใหม่คือเจ้าหนวดซึ่งแต่ละตัวขี้ประจบถ้าใครมาเยือน สาตัวนี้ก็จะมาทำฟาร์มสนิทมาตีซีทำให้แขกผู้มาเยือนเนี่ยได้รับความสุขใจทั้งมีแมวอยู่2ตัวคือเจ้าทองที่อยู่ประจำกุฏิอาจารย์เม็ารและเจ้าแพนด้าแมวหน้าตาประหลาดเจ้าแพนด้านี้สามารถสีกับหมาได้โดยที่ไม่ทะเลาะกันอยู่ด้วยกันได้อย่างผาสุขแล้วก็มีฝูงลิงเกเรมักจะมาขโมยอาหารหรือมากาะฟ้าวุ่นวายับชาวผู้หลงบ่อย โดยการมาลื้อคนข้าของหาของกินหรือขโมยและที่สําคัญผู้หลงจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเน็ตแต่ตอนนี้เริ่มจะมีแล้วแต่ก็ต้องเดินไปไกลอยู่พอสมควรคือสัญญาณทูมูฟเข้าถึงถ้าเป็นเมื่อก่อนจะต้องขึ้นไปบนเขาถึงจะมีสัญญาณเน็ตมีสัญญาณมือถืออันนมาีมาอยู่ผู้หลงประมาณ4ี่วันก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆหลายอย่างของพระอาจารย์ไปสารท่านจะเน้นเรื่อง ก, การวางใจอะไรเกิดขึ้นกับเรา ไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามองหรือรู้สึกกับมันอย่างไรถ้าเรามองว่าจังเป็นธรรมดาของชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราก็ทาให้เราไม่ทุกข์ไม่ได้สิ่งล่วงแล้วแล้วไปอย่าฝ่หาที่ไม่มาก็อย่าพึงกระหนึงหวังอันวันวา น, วานผ่านพ้นไม่วนวังวันข้างหน้าหรือก็ยังไม่มาเลยผู้ใดเฟ้นเห็นชัดปัจจุบัน เรื่องนั้นๆแจ่มกระจ่างอย่างเปิดเผยไม่เงินก้อนคอดข้างดังเช่นเคยรู้แล้วเลยยิ่งแล้วให้ก้าวไปวันนี้เองเล่นกระทำซึ่งหน้าที่อันวันตายแม้พรุ่งนี้ใครรู้ได้เพราะไม่อาจบอกปัดหรือปัดไว้ต่อความตายและมหาเสนามันผู้มีเพียรเวียนเป็นอยู่เช่นนี้ทั้งที่พาลาตีแข็งขยันนั่นแหละผู้พัดเทกรัดอัน สัตบุรุษผู้รู้ท่านกล่าวกันเล ย, เอยขอความสุขความจเจริญธรรมจงเมียญาติโยมทุกท่าน